ตอ่นต่ำๆอลยอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ยังเน All uh right. -huh. วันคืนที่ผ่านไปงานเด็กทำประโยคน์อย่างเจ้าขตัว อ, อย่างไรหือมีแต่กินไปขี้แต่ เ, เพอแต่เคินมันเล่นอยู่ เ, ห, เ, นเ ห, น ห, หนื่อยเหนื่อเย่งเหนือกถึงจะได้เลยไทำอะไรมาไป้าประโยชนเรื่องอแต่เขาเ็นมืองหวังทเงนินเฉื่อยขี้ เป็นอย่างนั้นมันเป็นหนูแต่นเด็กท้านี่มันหนงน้ําหนูจงสตัวอย่างนั้นผูปวลามีโอกาส งาอื่นบังคับไม่มีกำลังกายยังฟอกเพราะเราจะประกอบกิจการงานอื่นเหนือยเหนือยเห่ยแต่มาหวเป็นภาพเป็นเมร์ คิดเป็นใจคิดจะมาโย่ข้องกับใจหนักหนาขนาดไหนเห็นแล้วแล้วปจุิตตาตาใสไม่ดมืหน่อยหน่อยจะหายห่วงจะเมื่อยไม่อยู่ในวัดในตัณหาปฏิบัติอัดทำไม่มีทําตทำลาใจมีใจที่เล็กความใสาหน่อของใจ มีต่ปัญหาความด่าเป็นชุดติดข้อรูปก็เหืนเข้าแต่ขนาดยินดีเอดเพลมนไปตามรูป เวราเสียงสมักันได้ยินเข้าแต่เราไปปอดเกี่ยวติดข้องอยากจะไปฟังเถิดเธเมื่อมาหลุ่มหลงในเสียงแต่เธอเสนอสอย่างนั้นอย่างนี้จะเสียงอาจเสียงทางจุดคืออาจารย์แม่สอนแล้วคจะเข้าไปขัดในจิตใจของตนจะเสียงของโลกเียงอยู่ในหอวัด วิธาะนี้นจำไม่แต่คอยหลวงคอดูนี่คือจุตปิติหมอนตาที่เคยอยู่ในน้ำ น, น้ำชอบทำให้น้ถ้าเอาขึ้นจากน้ำไม่จะ อ, อยากสง น้ำตนอาบเทียนพื้นยาเดินจนเต็นภาวนาชำระจิตดูภายในอยู่ส ม, ม อ, อ, ใใองสมรู้ไปอย่าปล่อยใจอย่ไปตามเรื่องโลกเพราะเรื่องโลกให้จิต ด, ดูเดี๋ยวอัดเดี๋ยวทำจริงจังเขาไม่มีอะไรที่จะสุขจะสาบายต่เสดวยเสจะเท่ากับ คืนักหนือจิตใจจะต้องหล่าหุ่นคุนมัวเสื่อมโติดข้องกายจะต้งการทำงานหนักหน่วก็จะได้มาอยากมากินเหล่อจะจนอยู่อย่างน้ความยุ่งเหยิของใจข้างนั้นท่านคือทวามละเวีเลาท่านยุ่งเหยอง กม่เร in ื่องอื่นอันอื <bekommen> <Mart>? ่นเพราะทกสิ่งท <see> ุกอย่างเขาสั่มาหามาให้พระให้เัย์ได้แตู่ดปฏิบัติเ็นเมดเป็นหนุ่ยขาเลยเพีงแต่ถามอยาจะเอาสิงนั้นสิ่งนี้จากพวกเราโอกาสนม่ที่จะมีจนรี่จะปฏิบัติการจัดจิตใจทั้งตัว คารวาเป็นไปหน่อได้แก็นั่งหงลับหูหลับตาภาวนากัรงานนั่มันมีความลุ่มเลิงของใจขขงติดไถ่คิดจิดควางต่างๆเพราะการหนื่อยชั้นลสาสารไม่มีอาจในธรรมความลุ่มเลิงส่วนใหญ้าระเนที่อยู่ในวัดในวานในบ้านก็เพราะเชื่อเรื่องกิเลสปัญหา อือ่นไม่มีอะไรท่จะเป็นทิดตปนภัยเจาใจเท่ า, า, ากับราคะตัญหาทองตุกก็ทบกอ่าการโน้มห่นก็มีเพียงขอบดยบูปดวงที่อยู่ที่อาศัยยิ่งใหญ่โตแตเเพราะว่าใหญ่โตอย่างไรเพราะว่าไม่หลังหนึ่งเขาอยู่กันก้าวคนจุดคนท่าจะไม่แบ่้แยกม่เท่าที่เราอยู่เพราเราอยู่ประตู นึ่งต่เอืย่กแข่งขันะดีจะได้ทั้งหนึ่งทั้งหหกันเขาช้เขาอจนขาดทะลกันบางบางคนหนึ่งไปหนึ่งมาทำไรทามา้นดูไม่ออกห่าของเขาก็ไม่นใจสองดุท้องดูย่ง อะไรหรือผ้าเน่นพกเรายังมีอาทสบายมาไมเอื้ออยากยากจนการขบฉันก้อนเนื้อการเขามีอาหารเพียงอย่างเดียวนั้นทั้งครอบครัวแต่ละวังแต่ละมื้อที่เขาทานกันมันเขามีหลายสิ่งหลายอย่างเต่เราที่ตื่นางเมืเนิ่นมาจนอย่างนี้ คนั่นเอามาอย่างหนึ่งคนนี้เอามาอย่างหนึ่งอาหารารขบันมีมากมาหลายอย่างทั้งหลังทั้งขวมีมากมาอดดยากขาดแคลนอะไรนี่ันมากม่เดี๋ยวนี้พิจารณามุ่ยเดือดปัญหามันจะเพื่อนทนจิตใจมันมีวันสงดรลงับปรับยี่ยดือดปัญหาให้ เพราะเป็นอาไรเอาใจใส่ติดตะเพื่อนติดติัราคาตัญหาจินกระเบ็้องเฉือติดเรายืนก็ชชอบอย่างนี้อาจทำแม่สอนตัวเป็นอย่างนี้จึง่งที่เราติดเราชอบเราเมว่ามันดีเยี่ยมันเกิดจากยืเหยุ่นเกิดจากตัางหาทางใจ ในใจมันเกิดมาจากรู่องจากเสียงส่วนนั้นกายของเกิดเราท่านไม่ทราบอะไรท่าหาในหนงใจนม่ยินดีไม่เกี่ยวขอ้องไม่เพิดเพินไม่เล่นหลงนั่นเ็นมีอะไรเป็นปัญหากายมันมีอยู่วสัสดุกายถึงนั้นคนที่เล่นหลงไปตามแบบที่เหลือปัญหา โดยมีความทุกข์ความมโนาพเป็นผลเกิดขึ้นมาแตกเขามนใจเขามีความสุขความสบายปัญญาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นส่งที่ซักซอกิตใจหรือธะสะสางให้จิตใจของตจ้เราท่านสว่างสบายเรื้อเห็นตามตป็นสิงในสิ่งหน่างนี้ในลืมหลงเพิดเพิ เพราะเป็นสิ่งที่หน่รยจำเป้นคือเราชอบเราติดเราคิดเราตื่นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องจำเป้นในชีวิตไม่ใช่เรื่องจะนำความสุขมาให้อหนอกจากใจเราหลงคนทั่วไปทุกยากลำบากกายใจต่อเพราะเชื่อเรื่งองเขาเกี่ยวกับงหาในเช่เนเชืเ่อเรืมมอเ่องเขาธรรมะคนเชื่อเรื่องธรรมะไม่หลง ไปตามหลักจิตวิทยาต่อหัวหักหางต่านทานแนะสอนตนคนนั้นจะมีความสุขความสงบได้เรื่องอื่นภายในวัดส่วนรวมความสุขทุกอย่างถูกถึง เพอเพิดเทลินลืมเลงหรือทำลายสุดใจไม่ให้สุขให้สงบให้สบายได้แต่เพราะราชาตัญหาชอบติดคิดจงในเพลิดกันค้าถือว่ามันเสวยมันงามถือว่ามันสุกมันสบายถือว่าเป็นเคองดียิ่ิเพราะมันอย่ที่ไม่ติดา ไมสิ่งหลนั้นตามเป็นจริงในอดในธรรมที่พระพุทธเจ้ารงรู้ทรงเห็นจุตจรเงจริงอย่างหากท้นี้ที่เจ้ามาจริงจังรูปเขารูปเราไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันดินน้ำลงไฟม้อนกันอากาศดินดานม้อนกันแก่เจ็ยตายม้อนกันเน่าเหม็นม้อนกันไม่มีอะไรน่าอัศจรรย์น่าเคลื่อน น่าลืมหลวงมี่คือคือมีธรรมะที่เจอนาตามจริงจริงของมันถ้าหากมันยังละยังถอนไม่ได้มันที่นี่ที่เจอนาอสุภะอสุพังความเหนียวสดงดงานท้องตนเมื่อเห็เรื่องท้องตนคนอื่นตัดอื่นมันก็เหนียวใสอะไรที่เราไปลืมหลวงมั่นหมายบายหญิงชายต่างๆ พจารณาดูผมขนแล้วฟันนางเลื่อเนกระดูกหรือมันเป็นหญิงเป็นชายมันเป็นเราเป็นเขาถามมันดูพิจารนามันดูให้ทั่วถึงที่เราไปกำหนดยืนดีเราบาพูีเจรณาอย่างนี้เพื่อเชิญเลื่มนหลงของเน่าของเหม็นของทุกข์หรือว่าของหม ของดีของสุขวารจียงการเสพกามเทุกข์ไม่ใช่ของสุขของสบายการจีงพูดถึงเรื่องทุกขการมเอาไว้ว่าเหมือนกันกับหลุมถ่านเพลคนใดหมึ่งที่เจนนะไปตกเข้าคนนั้นจะได้รับทุกข์เดือดร้อนแระดากายหรือเหมือนกันกับความฝัน พอเสพแล้วจะมี้อะไรที่จะติดเมื่อติดตัวมาได้เราฝันอย่างไรตื่นมาคำฝันนั้นจะไม่เป็นจริงให้จะหายไปไมนมีอะไรที่เป็นจริงควรเสพตามกว่าญูา น, น, น, นั้นเดี๋ยวามเหลงทำกำหนัดยินดีเผื่อเพลินแ่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้เป็นอันนี้ ยินดีเพื่อเขงเขาหลงเราเหลงเขา้วยมีอาจมีทำทั้งสองฝ่ายจึงเกิดขนดยินดีกันขึ้นลระเภศของเราต่อดีเขาต่ดีอยะเพศต่างๆหากถูดเมจิตเป็นไปในเรื่องของการอัยะเพศนั้นยังมีอยู่แต่เขาไม่รู้ไม่ตำหนักอะไร เศษไเพอใจใจก็เนื้ยความสุขความสบายอะไรทาชิ้นไรแต่ในเรื่องของทำจริงจังนเกิดเศษมากเข้าจะต้องไหวเหงาเจ้าจุกทุกข์ร้อนปกติจะเป็นหญิงต่อตาเป็นชาต่อตาถ้าหาไม่เศษการมร่างกายสวสดงดงามเป่งปะายพเศษการมันเข้า หน้าตาหนุอยน้อยในเสื้อเงาเราเคยเห็นคนสักสี้พายายคนเฉื่อยตามมาก่าจะต้องมีสีหน้าสีตาผิดปกติในเสื้องามให้กำลังวังชาภายในตายไปเล่นห่อน ตกใจในใจลูกนำความสุขมาให้นอกจากใจลุ่มหลงพิจนาเห้ถึงใจแต่พิจนาถึงใจพิจนาไม่อาจไม่ทาแล้วมันไม่มีทางสงสัยอ่เราถือว่าหน่ามันแดงอนั้นอย่างนี้มันเลือดคือทำเหตใดมันนมจะงานอย่างนั้นอั่งนี้ก่อนเนื้อมันเน่า ก็ตกเหมือนแม่งเหมือนโขงกันเราจะไปโขงทําไมเราย่างไรเขาด่างนัะไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันอวัยวะของเราถือว่าเป็นผู้ชายก็เหมือนกันกับอวัยวะของเขาที่เป็นผู้หญิงไม่มีสิ่งใดที่ผูดแปลกกันก็หนังอันเดียวกันเนื้ออันเดียวกัน แต่เราพอใจตามสมุดทั้งโลกโดยในที้พิจรารณาธรรมะจึงไปลืมหลงติดข้องกําหนัดโทล่เชนฉะนั้นการพิจรารณาธรรมะเป็นเป็นเรื่องแฉะไขราคาตัญหาพิจรารณาลึกเข้าไปถลารใจวิ่งเห็นตามเป็นจึงยอมจํานองคํามท้องวุทยไเจ้าเป็นข้องจริงอย่างนี้สามสาชมาส สักก็ปิดใจที่เล่มนหลอให้หายออกไปได้เห็นงานที่จะดูเพียงภายนอกไม่เป็นอย่งนั้นจะต้องเลอมหนังเข้าไปดูเนื้อเอ็นกระดูกปับไปใส่ชิ้งต่างๆส่วนเป็นของในเสียในงามเป็นของอันนึกจังทุกขังอนัตตาหนุ่เชื่อบิจินรธรรมะภายใน้าไม่ดู เพียงคิ้เผยภายนอกเท่นั้นจะต้องดูข้อปลายภายในมันสวยอยู่ไหนมันงามอย่ไหนอะไรไหลออกมาจากปากจากจมูกจากทวารหนักทวารเบารู้ตามเมื่อตามตัวมีอะไรสวยงามมีคุนค่าราคาคพอขายได้มีแต่ท้องเหน่าท้องเหมนถ้าไปถ่ายไปบ้างเลยเรียนของเขาก็จะต้องปรับต้องใหม่ เพราดใดว่าเป็นของโปรตีนมนุษย์เราเป็นอย่างนั้นเลือดที่เราเลืเราเห็นว่ามันหน้าแดงมันเจ๋อมันงา